อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรั บ, บรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยนะคะ ท, ทุกเช้าตั้งแต่เวลาตีห้ถึง .5 ีห้ครึ่งอาจะเป็นช่วงเวลาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนําเสนอรายการธรรมะรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าค่ะซึ่งก็มีองค์ปาทกประจํารายการธรรมะรับอรุณอ่าที่รับนิมนต์เมตตามาอ่าพูดคุยเป็นองค์ปาทกประจํารายการอ่า ประมาณ 5-6 ปีมาแล้วนี่ก็คือพระอาจารย์พระมหาเพรบุ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษ แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระคูณสิทธิประภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะเสาร์ที่ยีห้าตุลาคมซึ่งก็เป็นวันขึ้นสามค่ําเดือนสิองปีมะเมียค่ะ ก็ถึงช่วงเวลาที่จะขอนําท่านผู้ฟังมาสนทนาหรือสากระชากับพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกลาบนื้อมาตการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจียปานสาธุเจ้าขาเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนนะเจ้าขาหยิบยกธรรมะ ของพระพุทธองค์เจ้าคะ่ะเพื่อที่จะเป็นสติเตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนของเราซึ่งมีชีวิต อ, อยู่ในปัจจุบันนะเจ้าคะ่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยให้ได้นึกถึงหรือว่าสังวร น, นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีของคนในชาติเจ้าคะ่ะ เพราะปัจจุบันนี้โยมคิดว่าเรื่องของความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเจ้าค่ะ เพราะว่าขณะนี้ประเทศชาติของเราก็อยู่ในช่วงเวลาพิเศษซึ่งกำลังจะมีการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะเจ้าคะสำหรับประเด็นนี้นี่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาหยิบยกธรรมะของพระพุทธองค์ในข้อใอดามาสากัฉาเพื่อเป็นข้อคิดแล้วก็แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกระดีเจ้าคะกราบนิมนต์เลยเจ้าคะออตอนนี้ก็จะมีอยู่อยู่สองาประเด็นคุณตนใจ คือเนื่องจากว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราเราจะเห็นเรื่องราวอยู่สองสมเรื่องที่ว่าเกี่ยวข้องกับความสามาัคนะคีนะอันดับแรกก็คือเรื่องความแตกกันของภิกษุชาวมืองโกสัมพีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของความสามัคคีได้ อ, อีก อ, อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภิกษุกลุ่มหนึ่งที่เขาไปอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่งนะพวกนี้สามัคคีกันมากเลยนะเกิดเกิดจากคนละพ่อคนละแม่แต่ว่ามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เนีเข้ากันได้เหมือนกันน้ำนมกับน้ํานีก็ด้วยคุณธรรมอีกชุดหนึ่งเราจะพูดไปถึงทีละชุดตรงนี้ก่อนนะีอันดับแรกก่อนว่าทําไมเรื่องราวของพิสูชาวโกสัมพีเนะี่ยเขาถึงแตกกันก่อนนะว่าคนที่เขาแตกกันเนี่ยเพราะว่าอะไรก็คือเรื่องราวเดิมมันมีอยู่ตรงที่ว่ามีพิสุกลุ่นหนึ่งที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นธรรมะกระถึก อีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกพระวินัยทรนแก็มีความเห็นไม่ลงกันล่ะพวกหนึ่งก็คิดว่าตัวเองถูกอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าตัวเองถูกก็เลยแตกกันตรงนี้ที่แตกกันคุณธรรมที่เราจะเห็นตรงนี้ว่าที่เขาแตกกันเนี่ยก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติไม่ตรงกันข้อปฏิบัติไม่ตรงกันก็คือเรื่องศีลไม่เสมอกันเรื่องของทิฏฐิไม่ลงกันคนที่จะอยู่กันได้นะคุณตนใจศีลต้องเสมอกันทิฏฐิต้องเสมอกันถ้าศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกัรเนี่ย มันไปด้วยกันไม่ได้แต่มันยังไงมันจะต้องแตกกันสักจุดใดจุดหนึ่งแต่สามีภรรยาคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานในบริษัทหรือว่าในระดับชาติเนี่ยจะต้องมีความที่ว่าตรงเนี้ยต้องเสมอเสมอกันทิฏฐิแต่ความเห็นต้องไปในทางเดียวกันเรื่องศีลเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยต้องไปในทางเดียวกันตรงนี้เราจะเห็นได้ถ้าบอกว่ามันแยกกันมันก็จะไปไม่ได้แต่เรื่องทิฏฐิเนี่ยสำคัญฉันเห็นอย่างหนึ่งตัอเห็นอย่างหนึ่งมันก็ไปไม่ได้แล้ว มันก็จะแตกกันจกค่ะนี่คือคือข้อที่หนึ่งว่าคนที่เขาแตกกันเป็นงี้เอาถามว่าทําไมาคนที่เขาเพ่งไปในเรื่องทิฏฐินี้อีกคนหนึ่งเพ่งไปในอีกทิฏฐิหนึ่งทําไมเขาถึงไม่สามารถน้อมไปในทางเดียวกันได้อืมจกค่ะนั่นก็คือเราก็มาดูในกรณีที่สองว่าคนที่เขาสมัครสมานสามเมื่อกี้กันเนี่ยนะเขามีจิตใจเป็นยังไงก่อนไหนได้เคยพูดถึงกลุ่มพิสุสามรูปด้วยกันที่อยู่ใน เราป่าแห่งหนึ่งแล้วก็นามสกุลอนุรุทธะนามสกุลอนุรุทธะพระราชาก็ได้ไปที่เราป่าแห่งนี้ถามสารุทุกสุเดิบแต่ละท่านแต่ละองค์โอเคไหมกินอยู่เป็นยังไงแล้วก็ยังสมัครสมานสามัคคีกันหรือไม่แต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดจากคุณพ่อและแม่แต่ว่ามองกันและกันเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ เข้ากันได้ดีเหมือนกันน้ำนมผสมกับน้ำถ้าเราเอานมมาผสมกับน้ำเนี่ยมันจะเข้ากันเป็นเธอเดียวกันแต่ถ้าเอาน้ำมันผสมกับน้ำนำไปคนละเรื่องมันไม่ยอมผสมกันค่ะถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นนี่ยเพราะว่ามีคุณธรรมอยู่สามอย่างที่เขาเ้ามีเนีนก็คื อ, อความคิดในทางหลีกออกจากการมความคิดในทางไม่พยาบาทแล้วก็ความคิดในทางไม่เบียดเบียน3าอย่างนี้นะสามอย่างนี้ค่ะ ส่วนทำอันไหนที่เขาละเขาจะต้องเจริญทำสา3อย่างนี้แล้วก็ละทำอีก3อย่างหนึ่งล ะ, ละทำอีก3มอย่างหนึ่งก็คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในทางกามคืออะไรคือความคิดที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเพ่งเล็งไปตรงจุดนั้นแจะเพ่งเล็งไปตรงจุดนั้นพเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีทิฏฐิที่โน้มไปในเอียงไปในทางกาม คุณควรจะใจฟังออกมาดีๆนะถ้ามีทิฐิที่โน้มไปเอียงไปในทางกามแลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดอย่างใดอย่างหนึ่งเราคิดว่ามันจะไปทางเดียวกันได้แต่อเพราะกามนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้บางทีมันตีกันเช่นบางคนเนี่ยจะไปกินข้าวร้านนี้อีกคนบอกไม่ฉันจะไปกินข้าวอีกร้านหนึ่งแต่ความเห็นไปในทางกามเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังแตกกันได้เพราะว่ามันโน้มไปในทางกามเนี่ยที่ว่าทําให้มีความยึดถือ ส่วนกรณีที่สองคือความพยาบาทเนี่ยหมายถึงความที่คิดอาฆาตคิดปองร้ายาคิดผูกแค้นอันนี้คือส่วนที่สองถ้าเปล ว, ว่าเรายังผูกโกรธเขาเขาทำนี่ให้เราเราไม่พอใจเราผูกโกรธเขานี่คือลักษณะของพยาบาทอันนี้คือที่เกิดขึ้นในข้อที่สองนี้กับชาวพิกษุชาวเมืองโกรสัมผีเพราะว่าฝ่ายหนึ่งทาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ทาอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมกันนนี้ นี่ยก็มีความอาฆาตม้าร้ายกันก็เลยไม่ยอมกันไปในทางเดียวกัน <Okay. S 1> นี่คือจุดที่2ที่เขามีความคิดในทางพยาบาทความที่ไม่ไม่ลงกัน <Okay. S 1> แต่ล้วข้อที่สามคือความคิดในทางเบียดเบียนแต่ความคิดในทางเบียดเบียนก็คือว่าฉันจะต้องทําให้เธอได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ น, น, นี่คือความเบียดเบียนคือข้อที่สามถ้ามีความคิดมีการคิดนึกในเรื่องสามอย่างนี้อยู่เรื่อยนะคุณนใจ นะไม่ว่าจะวิธีการใดๆออกกฎไม้ขนาดไหนปฏิรูปกี่รอบไม่มีทางลงกันได้อ<ช>ไม่มีทางไม่มีทางนะแต่ถ้าเผื่อว่าแต่ถ้าบอกว่านะเราสามารถที่จะเอาความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้คือพูดอย่างกว้างๆเลยนะพูดอย่างกว้าง<ช>ๆนะเดี๋ยวจ ะ, จ, ะ จ, ะจะเฉพาะเจ่อจงให้แล้วก็เอาความคิดที่หลีกออกจากการความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนนะมีตรงนี้นะละสามอย่างที่เป็นอกุศล เจะเดินสมอย่างที่เป็นกุศลนี้ได้เนี่ยนะคุณเตืนใจนะคุณไม่ต้องออกกฎหมายฉบับไหนก็ได้ไม่ต้องมีการปฏิรูปก็ได้เดี๋ยวมันลงกันเข้ากันได้เองอค น, อคนหนึ่งอ้าปากขึ้นมาอะไรอย่างหนึ่งปุ๊บทุกคนเห็นด้วยหมดเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นร่วมกันคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นร่วมกันเนะ่ยคุณเตืนใจนะจิตใจของเขาจะมีความเบียดเบียนไม่ได้เลยถูกไหม อ, อันนี้คือข้อข้อที่หนึ่งนะ คือเราก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยแล้วก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยอ้าวมันก็ลงกันได้ค่นันเองตรงนี้นนคือลักษณะของบัณฑิตนะคุณใจที่ว่าจะเห็นทั้งประโยชน์ตนเห็นทั้งประโยชน์คนอื่นเห็นทั้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบัณฑิตเนี่ยเขาทําเขาคิดหรือเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะเป็นไปในลักษณะ น, าานี้แต่ถ้าคนพาลในกรณีของพิ่สุชาติมงคลส่ีดที่ว่าเนี่ยนะก็คือไม่เห็นแต่ประโยชน์เขา นจะเห็นแต่ประโยชน์ฉันแล้วก็มียใช่ประโยชน์ฉันอย่างเดียวแล้วประโยชน์ฉันนี่มันก็เป็นไปในทางการแล้วก็มีการผูกโกรธก็จะไม่ให้ประโยชน์เขาละแล้วก็มีความคิดที่จะเบียดเบียนก็จะทําให้ประโยชน์เขาเนี่ยมันลดลงไปแล้วมันไม่มีทางลงกันได้เลยนั่นคือลักษณะของคนพาลคนพานจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตก็จะมีจิตใจที่ไม่ดําริไปในทางการ น่ยไม่มีความคิดอาฆาตมาด ร, ร้ายผูกโกรธผูกเวรแล้วก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนเขาให้เดือดร้อนให้มีความทิ่พายไป <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและนี่คือประเด็นตรงนี้ที่ที่จิงว่าจะต้องม <Okay. S 1> อีถัดมาประเด็นที่สอง น, นที่ภิกษุอานามสกุลอนุรุธทธะที่เขาอยู่ที่ราวป่าแห่งนั้นเนี่ยเขาอยู่กันได้ด้วยคุณธรรม3ข้อ น, นี้ อันนี้คือประเด็นที่1นึน ะ, ะประเด็นที่2ก็คือว่าคนหนึ่งแล้วก็เก็บจิตของตัวเองแล้วก็ทำตามความประสงค์ของคนอื่นภิกษุรูปหนึ่งอา้าวก็บอกว่าบุรุษชาววัดครับองเนี่ยก็เก็บจิตของภาพรองค์งนะแล้วก็คนอื่นอยากได้ลายอยากไปไหนอยากกินอะไรอยากให้แบบไหนหเกิดขึ้นฉันก็ทําตามเขาฉันก็ตามตามเขามันก็เลยมีความเป็นมาเป็นไปได้ นะก็คือทำความทาตามความคิดความต้องการของคนอื่นนะอันนี้คือประเด็นที่สองเจ้าค่ะอันนี้มันเหมือนกับสุภาพจิตของไทยเราที่เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไหมเจ้าค่ะลยๆกันนะเจ้าค่ะใช่คล้ายๆกันล้ๆกันเจ้าค่าะแล้วก็คล้ายๆกันก็คือว่าเขาต้องการอะไรฉันก็จัดให้ทำให้เจ้าค่านะและมีจิตใจโน้มน้อมในการที่จะบริการสงเคราะห์กันด้วยการประพฤติประโยชน์ รตรงนี้สังฆาวัตถุสี่ก็ใช้ได้ช่วยได้เหมือนกันนะก็ ค, ะะคือสงเคราะห์ในลักษณะที่ว่าประพฤติประโยชน์ให้กับคนอื่นนี่คือประเด็นที่สองแล้วประเด็นที่สามก็คือว่าเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆพิสูจน์ที่อยู่ในป่าเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งนนัที่จะต้องทําอยู่เสมอก็คือการเจริญเมตตาภาวนานถ้าเป็นพระในสมัยปัจจุบันเขาก็จะสวด สูตรทีเรกว่ากรณียมเมตตาสูตรทุกคืนคนะทำเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างนี้นต้องมีแต่พอเจริญเมตตาภาวนาแล้วหนึ่งในอันนี้ส่งที่จะไดนะ้ก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์ะจะเป็นที่รักของมนุษย์พวกภัอยอันตรายอะไรต่างๆที่มันจะมาตกลงก็มันก็จะแคล้วคลาดไปเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาภาวนาอันนี้ช่วยได้นี่ ค, คือประเด็นที่สาม ประเด็นที่สามถามว่าในกรณีสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าบอว่าก็ต้องไปดูที่รากเหงา้านะคุณเดินใจ <Okay. S 1> เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันมีความหลายระดับมีหลายระดับมีความซับซ้อนมีระดับนั้นมีระดับนี้แล้วก็มีเรื่องของบุคคลหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นถ้าบว่าเราจะแก้นะมันก็ต้องทำในทุกระดับ แตนะซึ่งระดับหนึ่งคุณจะต้องทําด้วยแน่นอนซึ่งเป็นร่างฐานที่สําคัญเลยเนะี่ย <Okay. S 2> ก็คือระดับจิตระดับใจของแต่ละคน <Okay. S 2> นะนนี้คืออาลม่าไม่ได้หมายถึงว่าความคิดทิฏฐิเท่านั้นนะยังลึกลงไปถึงกิเลสยังลึกลงไปถึงความสัมมาสังกัปปะยังลึกลงไปถึงเรื่องของกิเลสอาสวะวคุณจะต้องละ ก, กิเลสคุณจะต้องมาฝึกคิดให้ถูกคุณจะต้องตั้งสติฝึกสตินะไปเข้าคอร์สเล่นปฏิบัติทํากันบ้างพ <Okay. S 2> นะวกเน <c oughs> ที่แตกแตๆกันเนี่ย เ่กา จ, จะได้ละความที่มีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนฝึกตั้งสติให้มันเอ อ, อยู่ให้ดีแต่พอเราฝึกตั้งสติให้ดีแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นประโยชน์ของตัวเองประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเจ้ามันก็จะตกลงกันได้สักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะ่ ะ, ะอืมเจ้าค่ะสําหรับการที่ว่ามีสมาสังกปะหรือว่ามีความดาริชอบเนี่ยเจ้าค่ะก็หมายถึงว่าถ้าเขาออ่มีความคิด สติปัญญาทบทวนจริงๆเนี่ยเกิดสัมมาสังกปะหรือดาริชอบขึ้นมาจริงๆนั่นก็คือการที่เขาเกิดปัญญาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องเพราะว่าคนที่จะมีสัมมาสังกัปปะนะคุณเดินใจเขาจะต้องรู้ก่อนว่ามิจฉาสังกปะคืออะไรรู้ก่อนว่าสัมมาสังกปะคืออะไรสังกัะนี่คือความดํำริชอบนะเพราะฉะนั้นเขาเขาพยายามที่จะตั้งตัวเองไว้ในสัมมาสังกปปะละมิจฉาสังกปะได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่ว คนคที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยมีปัญญาแน่นอนไม่ใช่คนโง่โงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยปัญญาในที่นี้เรากำลังพูดถึงสัมมาทิฏฐิพระรูปเจ้าจึงเคยตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นาหน้าเนี่เป็นองค์นําหน้าทําทไมเพราะว่าคนที่รู้ว่านี่คือมิจฉาสังกัปปะนี่คือสัมมาสังกัปปะความรู้ความเห็นตรงนั้นของเขาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันนํามาก่าานอนถูกต้องทิฏฐิที่ไปตรงกันแล้ว คือ <Okay. S 1> ทิฏฐิของคนมันต้องไปตรงในทางเดียวกันนะั่นคือสัมมาทิฏฐิอันนี้คืออาจารย์ยังไม่ได้พูดลงไปในรายละเอียดถึงว่ า, าจะต้องแก้ไขยังไงเลือกตั้งไม่เลือกตั้ ง, เ ล, งเลือกตั้งแบบแบ่งแบบนี้หรือแบ่งแบบไหนอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าทิฏฐินะคุณเดินใจนะเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เราจะต้องไปตกลงกัน <Okay. S 1> แต่นี่กําลังพูดถึงเรื่อง ก, องกว้างๆ <Okay. S 1> เช่นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองนะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบ นในเรื่องบาปมีบุญมีเห็นในเรื่องของสิ่งที่ควรจะต้องทําความดีมากกว่าทําความชั่วนะแค่เห็น <Okay. S 1> ไปในทางตรงนี้ไปในทางเดียวกันก่อนนะไปในทางที่จะเป็นสัมมาทิฏฐนะิเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันก็จะค่อยๆตกลงกันไปได้เอง mm hmm. เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ตรงนี้จึงต้องมีปัญญาระดับหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิแล้วในะมีสัมมาสังกรประ ด, ด้วยในการที่จะสามารถที่จะลงกันได้คุยกันรู้เรื่องนะมันก็เลยจะต้องตรงจุดเนี้มันก็จะต้องมีสติ มีความเพี่ยนเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่เขาจะมาระลึกได้ว่าเอ้ยฉันจะต้องคิดดีนะ่าฉันจะไม่คิดชั่วฉันจะไม่คิดเบียดเบียนฉันจะไม่คิดอาฆาตเขานีคนที่จะระลึกได้ว่าฉันจะไม่ทําความชั่วๆแบบนั้นคนที่จะต้องระลึกได้ว่าฉันจะต้องมาทําสิ่งที่เป็นสัมมาสังกบปทําสิ่งที่ดีๆเนี่ยการระลึกของเขานั้นก็เป็นสัมมาสตินั่นเองเพราะนั้นเขาก็ต้องฝึกฝึกสติด้วย คนที่คุยกันคนที่จะสามัคคีกันเนี่ยก็ต้องมีสติด้วยนะคนที่จะมีสติเกิดขึ้นได้ทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เขาต้องมีการทําจริงแน่ๆจริงในเป็นคนที่มีกำลังจิตเข้มแข็งพอสมควรตรงนั้นก็คือสัมมาวายายมะด้วยอืมเนะจ้าค่ะตรงนี้คือเรื่องของระดับจิตเลยนะที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านในะที่จะสามัคคีกันหรือไม่สามัคคีกันเนี่ยจิตตรงนี้เป็นพื้นฐานเจ้าค่นะแตถ้าคิดว่าจะเอาชนะอย่างเดียว แต่มันไม่ใช่ละอันนี้คือเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองอประโยชน์ของคนอื่นเราจะเห็นได้ตรงไหนยังไงบ้างเราก็จะต้องมีความคิดในทางไม่พยาบาทมีความคิดในทางไม่เบียดเบียนจะทําตรงนั้นได้คุณก็ต้องมีสติมีปัญญามีการมีความเพียรตรงนี้ซึ่งมันก็กลับมาจุดที่ว่ากลับมาจุดที่ว่าเราก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมอยู่บ้างรักษาศีลอยู่ด้วยมีสัมมาทิฏฐิไปในทางเดียวกันว่าเออเรื่องนี้เป็นบุญบินกุศลเราทํา คนก็จะไปกันได้เจ้าค่ะเน่ยที่มันแตกกันเนี่ยก็เพราะว่าจุดนี้แหละที่มันไม่ลงกันอืมเจ้าค่ะดังนั้นเราอสมควรไหมเจ้าค่ะที่ว่าจะชักชวนให้บรรดาพี่น้องประชาชนเราทุกหมู่เหล่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าค่ะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตหรือว่ายกระดับจิตใจของเราอเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเข้ามาถึงในช่วงของการมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ สัมมาสติคือะระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นชอบในสิ่งที่จะมุ่งให้ประเทศชาติของเรานั้นเนี่ยก้าวพ้นความขัดแย้งทั้งหลายไปสู่ความเจริญรุ่งเรือ ง, ง, งความสามัคคีอย่างแท้จริงอะเจ้าพระอาจารย์เจ้ขาขาคือเรื่องของคุณธรรมที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นเรื่องของในมรรคแเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทั้ทงนั้นมันดีหมดเลย นะ ซ, ซึ่งมันจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคุณํามาหนึ่งคุณก็ได้อันหนึ่งประเด็นคือตรงนี้คุณตัดใจว่าทํำไมคนไม่ทําทํำไมคนถึงไม่ฝึกทํำไมคนถึงไม่นํามาป ฏ, ฏิบัติแต่แต่ว่าไปหลงเพลิดเพลินในเรื่องที่เป็นทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนะแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะทําจิตให้มันดีให้มันสูงแต่สนใจแต่เป็นเรื่องที่เป็นภายนอกสนใจแต่ในการที่จะควาคว้าหาความสุข่างตาทางหูเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้แต่ทําให้ บางทีในะลูกในบ้านก็ยังเป็นปัญหากับพ่อแม่นะคนที่เป็นคู่ครองกันก็ยังเป็นปัญหาซึ่งกันและกันนะครอบครัวเป็นปัญหากันเองมันก็ลามมาถึงหมู่บ้านสังคมอำเภอตำบลจังหวัดประเทศนะเป็นไปอย่างนั้นเจะนะที่ที่คนไม่ทําคนไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้จักนขนวายสร้างสิ่งที่จะเป็นบุญสร้างสิ่งที่จะทําให้เกิดความสามัคคีตรงเนี้ยซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าเขามีกิเลสที่สั่งสมเอาไว้ นมีตัญหาที่แบบครอบครูมาไวมีอวิชาที่ปกปิดเอาไว้ ก, กิเลตัญหาอาวิชาที่รัดรึงผูกมัดแล้วก็ปกคลุมเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นดังออกแต่ให้บุคคลเนี่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยนะว่าคนเขาก็จะอาจจะไม่ได้ปฏิบัติสนใจปฏิบัติธรรมเนะ่เห็นว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเห็นว่ามันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาเห็นไปอย่างนั้น สบายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องช่วยกันรณรงค์ในระดับนี้ด้วยในระดับที่เรียกว่าเรื่องของการฝึกจิตเพราะว่ามันจะช่วยในทุกๆเรื่องเลยเพราะว่าถ้าคนเรามันสามัคคีกันตกลงกันได้เนี่ยไม่ว่าอะไรมันก็พัฒนากันไปได้นล้วมันก็จะพัฒนาไปตามระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นเรื่องของกรรมที่มันจะส่งผลให้เกิดเป็นผลดีขึ้นมาได้ตรงนี้มันจะเป็นช่องทางทางออกให้กรรมดีเนี่ยมันออกมาได้ด้วยจุค่ะ พอพระอาจารย์พระมหาภัยบุญสักกชาหรือว่าพูดคุยมาถึงเรื่องของกรรมนะเจ้าค่ะโยมก็เลยอยากขอกราบนักวิการว่าให้พระอาจารย์ได้ให้แง่คิดในอีกแง่หนึ่งเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อคนที่เขายังลุ่มหลงอยู่นะเจ้าค่ะก็คือยังหลงเชื่อหรือว่าหลงผิดยังหลงในเรื่องของอ ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ได้สักกฉามานะเจ้าคะาถ้าเผื่อพระอาจารย์จะเมตตาพูดในทางที่อีกด้านหนึ่งนะเจ้าคะว่าถ้าหากว่าเขายังคงเป็นอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ความร้อนใจความคับแค้นใจก็จะอยู่กับตัวเขานะเจ้าคะใชอันนี้ควรจะละซะเพื่อให้จิตใจรู้สึกว่าโปร่งสบายขึ้นแล้วก็ ไม่เป็นการเหมือนกับเอานรกไปไว้ในใจไหมเจ้าคะโยมมองในประเด็นนี้เจ้าคะคือมันเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจว่าเรื่องที่เป็นความสุขทางตาหูพวกนี้นะเมื่อที่เราพูดถึงเรื่องของกามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียข้อดีมันก็มีแต่เรา ค, ความเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนว่าสุขสมนะที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหารอร่อยอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความสุขแต่เราได้ฟังเพลงเพรา ะ, ราะๆะได้มีคนพูดหวานๆดีๆกับเราอันนี้เรามีความสุขเกิดขึ้นแน่นอน อันนี้เป็นปสิ่งที่มันจะนําความสุขมาให้ทีนี้ข้อเสียเนี่ยมันมีอยู่มากกว่าข้อดีนี่คือประเด็นแต<ล>่ว่าข้อเสียเนี่ยมันจะทําให้เราเพลินลุ่มหลงได้ข้อเสียเนี่ยมันจะทำให้เราผิดศีลได้ข้อเสียเนี่ยมันจะทําให้เร า, ารปากแบบพ่นไฟได้ข้อเสียนี่มันจะทําให้เรามีการทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกันได้ข้อเสียเขามันโอ้โหมันอีกหลายอย่างรบราฆ่าฟันกันเป็นสงครามโลกเป็นสงครามระหว่างกลางเมืองอะไรต่างๆก็เพราะตรงนี้แหละ ความรุ่มหลงที่เกิดจากตาหูนี่แหละซึ่งเราก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันว่าอย่างเรื่องของกรรมคือกรรมคนที่เขาทํามาดีอ่ะคนที่เขามีบุญมีกุศลเขาก็จะต้องมีความสุขที่เกิดทางตาทางหูมากกว่าคนอื่นๆอันนี้ก็ธรรมดาแต่ยังทำไมคนที่ทําความดีมากๆแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดานี่ยิ่งจะเอิบอิ่งเพียบพร้อมด้วยกรมคุณทั้งหยิ่งกว่ามนุษย์ด้วยซ้ํานั่นเองครับเพราะว่าเขามีบุญคือไอ้เจ้าความสุขทางตาทางหูที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ย เป็นบุญนะเป็นผลของบุญที่เกิดขึ้นทีนี้ผลของบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ไปใช้ไปมันก็ค่อยหมดค่อยหมดแตนะ่ทีนี้ไอ้ตรงที่มันจะหมดหมดไปเนี่ยแล้วถ้าเราหลงด้วยนี่ยิ่งเป็นสร้างเป็นบาปอืนะแต่ในขณะที่มันใช้หมดใช้หมดเนี่ยเราจะทํำไงให้มันเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มไดนะ้ตรงนี้คือประเด็นที่อาจารย์มังการจะพูดว่าวิธีการมันมีอยู่ก็คือคุณอย่าไปหลงมันอย่าไปเพลินมันนะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาปุ๊บคุณมีบุญทันที นี่เป็นบุญที่สร้างขึ้นในใจพอสร้าง<ช>บุญขึ้นในใจปุ๊บไอความสุขที่เกิดจากตาหูมันก็ยิ่งมากนะเราก็อย่าหลงเราก็อย่าหลงเราก็สร้างเป็นปัญญาขึ้นให้เห็นโทษให้เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมแต่ไม่หาความทุกข์มาทับถมตัวยียงที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแต่ถ้าถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุ ข, ขของเจ้าตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยมันก็มี แต่โทษมันก็เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นปัญญานะบปัญญาตรงนี้เป็นบุญแตเป็นบุญแล้วแตไอ้บุญที่เราได้รับมาจากการที่เรามีความสุข่างตาทางหูเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดลงไปมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามปัญญาที่เรามีเจ้า ค, ค่ะสาธุเจ้า ค, ค่ะก็คิดว่าการสักการะหรือการพูดคุยของพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนในรายการธรรมรับรุณ ในเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้คงจะได้ให้แง่คิดและก็ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่เรากำลังจะต้องช่วยกันประครับกรองบ้านเมืองของเราให้เดินต่อไปไปสู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเพื่อความพัฒนาถาวรของชาติบ้านเมืองต่อไปได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะ ท้ายรายการวันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะได้พูดถึงเรื่องของอเป็นเรื่องของบุญประจำรายการของเรานะเจ้าค่ะที่ว่าหลังจากที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุ ญ, บญอุิปุโน่โดยความ อ, อนุญาตแล้วก็ความเมตตาของ พระดเพลิหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตโอภาโสหรือท่านพระครูสิทธิธ ป, ปากรท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยเจ้าค่ะได้เมตตาเอ่อให้พระอาจารย์พระมหาภัยบลตรมาเ ป, ปรียกองปาถกประจํารายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็มีระเบียบปฏิบัติว่าสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายหท่านอาจจะตื่นมารับฟังไม่ได้ครบทุกตอนทุกวันนะเจ้าคะใ่าค่ะพระอาจารย์ก็จะรวบรวมธรรมะที่ได้เสนอไม่ว่าจะเป็นช่วงของการสากการ หรือการสนทนาธรรมะของพระอาจารย์ในวันธรรมดาก็จะรวมเป็นซีดีนะเจ้าคะ่ะปีน<ช>ี้ทราบว่าพระอาจารย์แจ้งข่าวดีตั้งแต่วันพุธแล้วว่าปีนี้ก็เริ่มจะแจกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ<อ>่ะยมขอเนมนยมนชี้แจงตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการกําลังรอรับฟังข่าวดีอยู่รอของฝันจากพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ะใช่ใหม่ ค, คือตอนนี้ก็กําลังอยู่ในกระบวนการการผลิตซีดีก็มีทั้งหมด353ตอน สามานะสามาใช่แล้วก็บรรจุดอยู่ในซีดีทั้งหมด7แผ่นด้วยกันเนี่ยเป็นซีดี3ที่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับนคือหลายๆท่านก็ขอมาก็เลยมีการจัดทำอ่ะทีนี้ถ้าคุณอื่ต้องการรับด้วยแล้วก็ให้ส่งซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสเตมส5บาบาทน่ซองกันกระแทก A4 ติดสเตมส5บาบาทนี้ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจนเต้องการให้ส่งไปที่ไหนน่ใส่เข้าไป นะแล้วก็พับซองกันกระแทกเนี้ยใส่อีกซองหนึ่งมานะส่งซองข้างนอกนี้มาที่สถานีวิจุกระจายสื่อแห่ประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราได้รับแล้วก็จะ เ, เมื่อ CD ดีเสร็จเรียบร้อยก็คงคิดว่าประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกานะไม่เกินต้นเดือนธันวาคมก็จะเรียบร้อยก็จะสามารถส่งกลับไปใ ห, ให้ท่านผู้ฟังได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมเป็นก อ, องขวัญบีใหม่ให้สาธุเจค่ะ แล้วปีนี้เราก็มีโบนัสมีพิเศษให้สำหรับท่านผู้ฟังที่ขอมาทางไปรษณีย์ก็คือว่าเราจะมีเนื่องจากว่าตัวเรามาเองก็ได้มีโอกาสไปออกรายการที่ f m 88ของเรเดีโอไทยแลนด์ด้วยตรงนั้นเนี่ยก็มีการอ่านพุทพธพจน์เป็นระบบสองภาษาไทยด้วยอังกฤษด้วยล้วก็เอาตรงนั้นที่บันทึกเสียงไว้ด้วยเนี่ยมาแจกเป็นซดีหนึ่งแผ่นเพิ่มเข้าไปเป็นแผ่นที่8ก็เป็นแปดแผ่นสาหรับปีนี้นะเจ้าค่ะใช่ใ โดยแผ่นพิเศษนี้เป็นสองภาษาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมรัปปุณฟังแล้วก็คงจ ะ, ะปรับลื้มใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ปีนี้พระอาจารย์พระมหาไพบุญอุพิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อด ร, อรสอาดทิตุภาโสพร้อมกับ สิทธยานุสิ์ทุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญในการที่จะแจกซีดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชให้แก่ท่านผู้งทางบ้านทุกท่านนั้นเนี่ยก็เริ่มเขียนจดหมายมาได้เลยนะคะทราบจากพระอาจารย์ว่าคุณทรงพลหรือน้องทรงพลจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางนี่ส่งรูปมาให้ดูแ ล, แล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่กระสอบแล้วใช่มเ้าคะเป็นกระสอบนึงแล้วมาจากไปรษณีย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าเรามีแฟนอยู่มากมายทีเดียว แม้แต่อทอดกรถิ่นของทางวัดป่าดอนไหสุขปีนี้ก็มีญาติโยมมาจากสปปลา ว, าวด้วยนะคะก็แห่องค์กระินมาร่วมด้วยก็เรียกว่ารายการของเรานั้นกว้างขวางมากทีเดียวผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมันสการลาพระอาจารย์พระมหารรภัยบูอุษพิพิโวและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิตัวพรโสท่านพระคุณจิตเิื่อระกราท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหสุขเพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบ กันใหม่กับช่วงสากัชชาทีห้าเหมือนเคยค่ะกราบขอพระคุณและกราบนรมรสการเจ้า่าพระเจริญเจ้าข า, เ, า, ขาเชียบานสาธุเจ้าค่า